โดยหลักๆตามปกติแล้วนะคะก็จะเป็นการซื้อไว้เพื่อที่จะเปิดให้เช่าแต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายเหมือนกันถ้าอยู่ในราคาที่คุ้มกับที่ลงทุนไปเมื่อโอนกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้กุญแจแล้วก็การ ต, ต่างๆมาก็อำลากับเจ้าของเดิมก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เสร็จจากกรมที่ดินก็คือประมาณบ่าย3โมงค่ะก็เห็นว่ายังมีเวลาเหลือพอที่จะไปคอนโดจะได้เข้าไปแจ้งกับทางนิติให้เรียบร้อยด้วย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 คุณอ้อมก็เลยต้องพยายามที่จะเดินห า, าที่เสียบรีโมทแอร์เข้ากับเต้าสวิตช์นะคะเป็นเต้า on off เพื่อที่จะปิดแอร์แต่คุณอ้อมบอกว่าต้องงงกว่าเดิมค่ะคือสวิตช์ o n Off มันอยู่ที่ off ม, ม, มันไม่ได้แบบตรงที่รีโมทนะคืออีตัวป๊อกแบกสีดำอะค่ะแล้วก็แอร์มันทำงานได้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 ก็เลยหันไปหาเครื่องที่ดังอยู่แล้วก็ตัดสินใจกดรับไม่พูดคำว่าฮัลโหลไดๆทั้งสี่นก็คือรอฟังอยู่แต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบค่ะ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 หรือเพราะว่าอยู่ใกล้เกินไปก็เลยไม่ได้ยินก็เลยอ่าลองเปิดลำโพงเครื่องหลักดูก็ละกันแล้วก็ยังไม่ได้วางสายแล้วก็ถือเครื่องสำรองออกไปยืนตรงประตูระเบียงแล้วก็พูดฮลัลโหลใส่เครื่องสำรองเหมือนคนบ้านะคุณอ้อมบอกว่าเครื่องสำรองนี่มันก็นิ่งไม่มีการโทรเข้าโทรออกก็ฮลัลโหลใส่ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เงียหูฟังเครื่องที่เปิดลำโพงอยู่ซึ่งก็เงียบกริบนะคะ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 แล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังคือแม่นี่ยิ่งแล้วใหญ่ขี้กลัวก็เลยปล่อยเลยตามเลยค่ะสามวันต่อมาตื่นแต่เช้าวแวะซื้อพวงมาลัยกับของไหว้แล้วก็บูชาพระพุทธรูปองค์ขนาดพอดีพอดีไม่ใหญ่มากมาไว้ที่ห้องรอบนี้มากับพ่อแล้วก็แม่ค่ะก่อนขึ้นคอนโดก็ไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางไหว้พระพรหมตามปกติจากนั้นก็อัญเชิญพระพุทธรูปไปไว้ในห้อง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 แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปถามนะคะว่าเอาไปคืนหรื อ, อยังคุณคนจีนคุณเจออะไรบ้างไหมอะไรทำนองนี้เพราะรู้สึกว่าหมดหน้าที่เราแล้วแต่คุณหมอคนเดิมเนี่ยก็พิลึกนะคะเอาของพวกนั้นกลับมาทำไมนะคุณอ้อมทิ้งท้ายไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังบอกว่า